้อออแลเาตนนีหะก็ไม่มีอะไรดอกแท้รจริงก็ไม่ใช่นักเทศอะไรดอกครูบาอาจารย์ใช้ก็มามีพอจะพูดคุยอะไรพอได้ช่วยเข้าเวลาก็มาช่วยกันเคยมาคราวก่อนก่อนก็เคยมาอ่า อพวกเราก็ทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เนาะมาทุกครั้งก็มีทีมบวช อ, อ่ า, า, า, อาเอาอะไร บ้านเราเนี่ยก็ร้อยกรองไม่ย่อยเหมือนกันนะ <c oughs> เป็นเหตุให้เราระลึกสำนึกแล้วก็สังเวชในภพในชาติของพวกเราเนาะที่พวกเราต้องมาหมกกันอยู่ในโลกพระเจ้ทาท่านทรงตรัสวาพวกเราเนี่ยหมกอยู่ในโลกสูงทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อันตรการตาดูดราชชรที่พวกคนเข่าหมกอยู่ในโลกฟังแล้วเราเจ็บใจให้กับอะไร เราควรจะเี็บใจให้กับกิเลสตัณหาในหัวใจของเราซึ่งมันมีเรียวแรงมันมีพลังมันเป็นอย่างเหนียวที่มันดึงเราให้ติดให้เกาะอยู่ในโลกเนี่ยเราฟังคำราตนนาเป็นภาษาพื้นบ้านเราเนี่ยกลุยเหมือนกันแหละแต่บางคำธรรมาของยังฟังตามไม่ทันดับฟังไม่ออกต้องไปฟังตามหลายๆรอบถึงจะฟังออกอบางทีมันเสียงมันไม่ค่อยจะชัดด้วย <c oughs> วั น, นี้พูดธรรมะมันจะออกรสชาหรือเปล่าเพราะมีครูบาอาจารย์สององค์สันนิษฐานอยู่เนี่ยระลึกไปเมื่อสี่สิปีก่อนระลึกไปเมื่อสี่สิปีก่อนมีหลวงพ่อเจ้าคุณเรานี่ยแหละจำพรรษาอยู่ที่วัดสุทธะด้วยกันหลวงพ่อสังวานอาจารย์สังวานนะอยู่จำพรรษาที่วัดสุทธะด้วยกันเราก็บวชเป็นพรรษาแรกที่วัดสุทธะด้วยกันนี่หลวงพอ่อ ท่านเจ้าคุณเราเนี่ยท่านก็พาโมภาวนาขึ้นลงภาวนาอยู่ที่นู่นมีมีมีถ้ำฝึกจิตโอ้เราสนใจเราเข้าไปในนั้นโอ้เงียบสงบดีมากที่วัสุทากินดานะเมื่อสิบสี่สิบปีย้อนหลังไปเราก็เป็นลูกศิ์ท่านตอนนั้นพอมาตอนนี้พวกเราก็แยกย้ายกันแหละปีนั้นพอหลังจากออกพรรษา ท่านเจ้าคุณธรรมบัญญิตท่านก็มามรณภาพหลังจากจัดงานเพลินเสร็จปีเท่าไหร่นะ้ะปีสอง8ันห้าสิบแปดปีนั้นท่านท่านมรณภาพก็เลยจัดจัดงานพระราชทานเพลิงศพเสร็จเราก็ลาหลว ง, งพ่อเจ้าคุณธรรมโสผลทุกวันเนี่ยเจ้าอาวาทุกวันเนี่ยไป ภาวนาที่หลบุเขียนก็ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่เคยย้อนไปจำภาษาที่โน่นอีกเลยก็นานๆจะได้ไปกราบท่านเจ้าคุณเจ้าอุปัชฌายะสักครั้งหนึ่งและกับครูบาอาจารย์เราโดยเฉพาะเมื่อก่อนเราเรียกว่าครูธรรมพระครูธรรมก็เลยติดปากท่านมาจนทุกวนันนี้จนท่านได้มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดท่านเลยเป็นเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระคระูท่านเจ้าคุณปราศาสสารคุณอาจารย์จังหวานท่านครับ เป็นปักขูจะไม่ได้ดอกจากสังวรเมื่อก่อนท่านพาลูกศิษย์ไปเยี่ยมเราเกือบทุกปีไปเกือบทุกปีดูเหมือนไปนอนท่านก็เคยไปนะเมื่อกี้ท่านเล่าฟังไปก็ไม่มีที่พักหรอกเมื่ อ, อก่อนไแต่เดี๋ยวนี้เราพอจะมีที่พักหนึ่งหลังสองหลังครูบาอาจารย์ไปก็พอได้พักเนีย่ยววันนี้ท่านทำมานั่งฟังเทศด้วยธรรมะจะออกหรือเปล่าครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่มานั่งฟังธรรมะมันหดหดเหมือนกันได้ พวกเราขอรำลึกย <Private S ality> ้อนหลังไปเดี๋ยวว้ครูก่อนนะว้ครูก่อนนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสมมาสมบุติจนะโมตัสสะภควะโตอระหะโตสมมาสมบุติจนะโมตัสสะ ปะควะโตอระหะโตสัมมา ส, สัมบุตัสสะกาเลนะธรมมัตสวานรังเอตัมมังคะละมุตตมังกาเลนะธรมมัสซากัจชาเอตัมมังคะละมุตตมังปุชาจักปุชฌานียานังเอตัมมังคะละมุตตมันตี <c oughs> เราฟังเทศยังไงถึงจะได้ผล หลวงตาท่านว่าให้นั่งภาวนาไปฟังเทศไปให้ผลที่สุดเพราะฉะนั้นเราเข้าที่นั่งภาวนานั่งตามสะดวกสบายของเราเรานั่งยังไงตั่งกายของเราถึงจะเจ็บถึงจะปวดได้ช้าถึงจะสะดวกสบายหายใจคล่องหายใจต้องการยาวก็ยาวต้องการสั้นก็สั้นต้องการหายใจยาวให้เต็มท้องก็ได้เราตั้งใจภาวนาไป เอาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเป็นอารมณ์นาหน้าเอาเสียงเทศ mm hmm. เสียงธรรมนี้เป็นฉากหลังก็แล้วกันถ้ามันตกไปจากพุโทโธพุธโทโธก็ให้ไปอยู่กับฉากหลังคือเสียงเทศเกิดจิตเราสนใจกับเสียงเทศอ่ามันไปเกาะอยู่เหมือนกับคมที่สุดแล้มที่สุดไร้ครวนตรองตามเป็นจินตะไปในขณะดเดียกกันแล้วก็จับแล้วก็ตรองตามไปด้วยด้วย รู้สึกว่ามันจางไปจางไปเริ่มจาะเลสลายไปที่อื่นดึงมาอยู่ับพุทธโธพุทธโธพุโทโธให้จิตได้รับความสงบประคองอยู่อย่างนี้ให้ตลอดตลอดระยะเวลาที่เราฟังธรรมะไปอาจจะครึ่งชั่วโมงสี่สิบนาที 50, ห้าสิบนาทีหกสิบบางทีก็เลยชั่วโมงไปถึงไหนกลไม่รู้แหละแล้วแต่มันจะไปถึงนะ ไหวไหมล่ะถ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งขึ้นไปว่าเราไม่บนกันหนักหนาดูเหมือนกันละเพราะเท่าที่ ท, ทราบมานี่ยคดูมัน ก, กันนี้จะเป็นการชี้เก้า่นะยังมีอีกกันหนึ่งวันพรุ่งนี้น่าจะเป็นท่านพระครูหลวงพ่ออาจารย์สังบาล น, นี่แหละวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันพวกเรามาทำนึกถึงภู้มีอุปการรคุณหลวงปู่จันไร้มของเราเนี่ย พระครูเขียมคุณโสผลปูจันยร์แรมเขียมมัริดูเหมือนท่านจะ่วงไปตั้งแต่ปีห้าสองห้าสา7ห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดปีนี้ห้าแปดเป็นครบรอบปีที่เท่าไห ร, ทรไ่ที่ท่านมรณภาพไปที่ที่ห้าหรือที่หกปีที่เท่าไหร่เราทราบแต่ว่ามันเป็นการจัด ครบรอบวันเกิดของท่าน93ปีเกาสปีชาติกาลคำว่าชาติกาลก็คือครบรอบปีการเกิดการเกิดของปู่อุบัติเป็นรูประคันมาของท่านเนี่ยครบรอบ93ปีวันนี้เมื่อก่อนสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เราเคยมาร่วมอยู่สมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่วันครบรอบท่านเราก็เคยมาร่วมอยู่แต่หลังจากที่ท่านมรณภาพไป สี่ห้าปีหรือหปีเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เท่าไรออารอบที่ห้าหรือที่หกรอบที่ห้าหรือที่หเราที่มาบำเพ็ญมาบวชชีพราหมณ์กันทุกปีบางทีก็จำไม่ได้เหมือนกันนะวันนี้นี่เริ่มเริ่มเริ่มต้นนิดหน่อยเริ่มต้นด้วยอาราธนาเป็นภาษาเขมรภาษาพื้นพื้นบ้านเรา รู้สึกว่าสังเวศสลดใจถึงพบถึงชาติของพวกเราเหมือนกันกลายเป็นพวกเราหรือเป็นผู้หมกต่างคนต่างเป็นต่างเป็นผู้ตําเป็นตัง้ตงต่างคนต่างเป็นคนเข่าหมกอยู่ในโลกเราฟังสุภาษิต บ, บทนี้แล้วเหมือนกับคอ้อนใหญ่ ห, ญหรือไม่เรียวเรียวเรียวแหลมแหลมนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านทรงหดให้กับหลังของเราเจ็บไหมแสบไหมแต่การเจ็บการแสบทั้งนี้ เราไม่ได้เจ็บม่เราไม่ได้แสบเรายกมือท่วมหั ว, หวบูชาพระคุณของท่านให้เรามาเจ็บมาแสบกับความโง่ความหลงงม ง, ง, งายในภบชาติของเราผู้รู้ของเราไม่ฉลาดผู้รู้ของเราโง่งม ง, งายแบกพบแบกชาตพ้ทนทุกทรมานมานะการคราที่เราม า, าบัตเป็นมนุษย์เนื่องจากว่าเรามีคุณธรรมพร้อมมีคุณสมบัติพร้อมพรอที่จะม า, าบัตเป็นมนุษย์ ถ้าหากเราย้อนรอนลึกไปถึงพบชาติที่เราไม่ได้มาอุบัติเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ไรฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเนื่องจากพบชาติของเรามันขึ้นขึ้นลงๆขึ้นขึ้นลงๆไม่มีอะไรเป็นกําหนดกฎเกณฑ์กําหนดกฎเกณฑ์ก็คือความดีกับความไม่ดีในหัวใจของเราเท่าแหละมีคุณค่าสมควรที่จะเป็นมนุษย์ก็มาอุบัติเป็นมนุษย์ไม่มีคุณค่าสมควรไม่ไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาอุบัติเป็นมนุษย์ เราก็อาจจะไปเกิดเป็นเปรตเป็นสัตวรกเป็นอสุรกายและการในที่สุดเป็นสัตว์เดริชานสัตว์เดริชานก็ตามเป ت, รตรบอสุรกายก็ตามเขาเกิดมาตามบุญตามกรรมพวกเราก็ตามพวกเราเกิดมาทุกคนทุกท่านเกิดมาตามบุญตามกรรมเหมือนกันเรามีคุณสมบัติมีคุณธรรมพรอมีมนุษยธรรมพอพ อ, พอที่จะทําให้เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็มีโอกาสได้ประสบพบเห็นได้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา อยู่อีกด้วยแล้วเราถือว่าเยี่ยมที่สุดเยี่ยมที่สุดเพราะขึ้นชื่อว่าพบชาต์ขึ้นชื่อว่าพบชาติของใครไม่ว่ามนุษย์สัตว์วิริชาสัตว์เปลียนรกอสุรกายใครก็ตามใดๆก็ตามขึ้นชื่อว่าขึนา้นชื่อว่ามีพบมีพบก็ต้องเมาบัตตามบุญตามกรรมแต่การที่เมาบัตเป็นมนุษย์เมาบัตได้ยากถ้าไม่มีคุณสมบัติมนุษย์สมบัติ ในตัวแล้วไม่มีโอกาสที่จะมาเป็นมนุษย์ได้แล้วแหละเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานที่เขาไม่รู้จักสําลึกรู้สึกตัวอะไรเลยเข า, าเอาบัตรเขามาเกิดตามอุญตามกรรมเรามาดูเราไปดูความเป็นอยู่ของเขาแม้แต่แมวเอยสุนัขเ อ, อ้ที่เราเลี้ยงดูเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็ไม่พ้นที่จะรับทุกทรมานแม้แต่เรามีแม้จะมีคนเลี้ยงดูอย่างดีเราก็เห็นว่าเขาต้องได้รับทุกได้รับทรมานดูไปที่ พวกแมวพวกสัตว์หรือพวกสุนัขที่ไม่มีคนเลี้ยงดูเขาอยู่ทุกข์อยู่ยากอยู่ลำบากสิ่งที่รบเร้าในหัวใจของเขาไม่ว่าสัตว์ใดๆก็ตามทุกจำพวกสิ่งที่รบเร้าอยู่ในใจของเขาไม่มีอะไรมีความหิวมีความหิวเป็นอาจินกรรมของเขาแล้วก็มีหน้าที่ที่จะต้องสแสวงเอามาใส่ปากใส่ท้องเพื่อบำบัดความหิวโอ ก, กาสที่สัตว์เหล่านั้นจะมานึก จะมานึกถึงเสื้อผ้าอาภรณ์เหมือนอย่างมนุษย์เราก็ไม่มีนึกถึงที่อยู่สะดวสบายก็มีเหมือนกันเพราะว่าสัตว์รู้จักหาที่พึ่งสัตว์ประเภทอยู่รูเขาก็ทํารูอยู่สัตว์ประเภทที่เจาะโพรงไม้อยู่เขาหาเจาะโพรงไม้อยู่สัตว์ประเภททํารังอยู่ทํารังดิดีทํารังแบบรงัรงๆเขาก็รู้สึกจักพึ่งพาอาศัยตัวเขาเองอยู่ แต่จริงที่จะทําให้เขาเพลินไปในโลกในวัฏสงสารเหมือนสิ่งที่แปลกหูแปลกตาเหมือนอย่างมนุษย์เราก็ก็ไม่ค่อยจะมีแหละเขาเป็นอยู่สิ่งที่รบเรา่เราหัวใจของเขาที่สุดก็คืออาหารที่จะพึงใส่ปากใส่ท้องในระหว่างที่เราเดินทางมาวันนี้อมีหมู่เขาเอาสารคดีมาเปิดให้ดูบนรถโดยเฉพาะถ้ามีสารคดีที่ต้องใช้จอเรามีรถของเราเราก็เลยมาเปิดดูบางทีวัดเราไม่มีดอกอ มือตรงมือถืออินเทอร์เน็ตอะไรเราก็ไม่มีเราไม่ดูถ้ามีสิ่งเหล่านี้เราดูมาบนทวดเราเห็นความเป็นอยู่ของสัตว์ทุกยากลำบากมากตัวใหญ่กินตัวเล็กตัวเล็กกินตัวใหญ่ตัวใหญ่กินตัวใหญ่ตัวเล็กกินตัวเล็กความเป็นอยู่ของเขาเดือดร้อนมากเดือดร้อนเพราะปากเพราะท้องเราดูความเป็นอยู่ของเขา พวกตะกั่แทนเอ่ยพวกกิ้งกาเอ่ยพวกงูเอ่ยแต่ละตัวแต่ละตัวต่างก็ส่แสวงหากินอพวกกบพวกเขียดพวกอะไรมันก็แสวงหากินข้ามันพวกกบพวกเขียดมันก็แสวงหากินแมลงในระว่าที่กบเขียดแสวงหากินแมลงอพวกกิ้งก่าหากินแมลงมันก็มีพวกหมื่นคอยจับสัตว์ตัวโตมากกว่านี้อีกจะงู่างนี้เป็นต้นหนูอยงเนี้ย คอหาจับแมลงคอยจับม้จับนี้กินนสัตว์ใหญ่กว่านั้นก็จะมาคอยจับหนูกินเสร็จแล้วก็พวกงูเงี้ยงูหากินสักหน่อยหนึ่งอา้าวมีเหยี่วมาชอบงูเข้าไปอีกเราดูที่เขามีเขาอยู่ด้วยเวรด้วยภยัยด้วยบาปต่างโดยเฉพาะสารคดีเหล่านี้เนี่ยเป็นสารคดีของต่างประเทศเขาจะมีอุทยานพื้นที่กว้างกวางเป็นพันพันหมื่นหมื น, ม น, มนแสนแสนไร่ ให้สัตว์เหล่านี้อยู่แบบธรรมชาติเราลองมาเทียบดูว่า<ม>การปล่อยให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่แบบธรรมชาติแบบนั้นกับการที่เราเอาสัตว์เหล่า น, น, นั้นมาเลี้ยงดูให้เขาอิ่มนำสำราญเหมือนอย่างวัดเสือนี่เราเทียบกันได้ไหมเราเทียบกันไม่ได้เลยรับ ว, วัดเสือเราที่มีข่าวคร า, าด่งดังออกมาที่กรมอุทยานเขาไปยึดเข้าไปอะไรอะไรเลี้ยงดูอย่างดีเมื่อสมัยปีสปีห้าสี่เขาเคยไปฝาก ฝากเสือให้เลี้ยงเจ็ดตัวมาถึงตอนนี้สิบสี่สิบสาสิบสี่สิบห้าปีเนี่ยเสือมันเพิ่มเข้ามาเป็นร้อยสี่สิบหกตัวแต่ละตัวแต่ละตัวเขากินอาหารที่เป็นที่เป็นที่สุกไฟไม่ใช่กินเนื้อดิบเป็นเนื้อที่สุกไฟถ้าตัวไหนที่มีกิจกรรมดีเขาก็เขาก็ปกติเขาเขาจะกินไก่ห้าดาวด้วยแล้วแต่ถ้าตัวไหนมี กิจกรรมเอามาประกอบกิจกรรมกิจกรรมก็คือเอามาให้ต่างชาติเขาจูงบ้างเขามายืนถ่ายรูปบ้างอะไรบ้างนี่ก็ถือว่าเขามีกิจกรรมเขาจะต้องได้รับอาหารเพิ่มอีกท่านั้นตัวเท่านี้ตัวล้วนแต่ไก่ไก่อบไก่ห้าดาวทั้งนั้นอไก่อบไก่ห้าดาวทั้งนั้นจากนั้นแล้วถ้าใครยังไม่เคยไปวัดเสือก็จะเล่าพระพดวัดเสือให้ฟังว่าในนั้นมีเก้งมีกวางมีหมูมีควายมีมา้าะ แต่ไม่มีช้างนะช้างดูเหมือนมาเห็นมีมีวัวมีกระทิงอ๋อมีมีมีมีมีหมดเกือบทุกอย่างมีไก่มีไก่ปา่ามีนกอยู่เขาปล่อยให้อยู่อย่างอิสระเสรีอยู่ในในนั้นอย่างพวกควายพวกวัวพวกอะไรตัวอะไรเหล่านี้เนี่ยมีอาหารกินวันละสองอ ร, อรอบรอบเช้าแล้วก็รอบรอ บ, รอบใกล้ๆรอบบ่ายมีรอบเช้าแล้วก็รอบบ่าย เป็นหัวมันเอาไปลงกลางถนนเลยเป็นรถรถมีฟักทองเป็นลูกๆเอาไปลงกลางถนนเป็นรถรถตรงนั้นกองตรงนี้กองเขาได้เวลาเขาเคยกินตรงไหนเขาก็จะไปกินตรงนั้นเขากินอย่างอิ่มหนำสำราญคลายก็มีน้ําให้ไปนอนพวกสัตว์ที่กินน้ําเขาก็มีที่น้ํากินแต่พวกเสือเนี่ยปล่อยเพี้ยนผ่านไม่ได้ต้องมีคนเลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีให้เขาอยู่อย่างปลอดภัยอยู่อย่างอิ่มหนำสำราญไม่มีอดไม่มีอยาก เนี่ยเรามาเทียบดูกับมุทยาลที่ว่าเป็นที่เป็นร้อยร้อยพันพัหมื่นหแสนแสนไร่เสร็จแล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอยู่หากินตามธรรมชาติเขาจะต้องเบียดเบียนกันอยู่อย่างนั้นอย่าไม่จบไม่สิ้นไอสัตว์ที่มีน้อยแล้วพันสัตว์ที่มีน้อยแล้วก็จะหมดไปหมดไปเพราะมันถูกสัตว์ใหญ่เบียดเบียนสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่กินสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กกินสัตว์เล็ก นี่เราเราจะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ไม่มีคนดูแลรักษาควบคุมจะทำให้เขานี่ได้รับความทุกข์ได้รับความทรมานในที่สุดแต่ละตัวแต่ละตัวเขาก็จะจบเขาจะจ บ, บชาติได้ด้วยการฉีกเนื้อกันกลิ่นเราเคยเห็นแหละ เสือในสี่ตัวห้าตัวมันไปรุมช้างเงี้ยกัดหน้ากัดหลังกัดไปกัดมาไอตัวหนึ่งโดไปนั่งบนหลังนั่นน่ะกัดกินสดๆเลยแหละโอ้ทารุมไหมทารุมมากบางทีนกกระจอกเทศเหมือนอย่างที่เราเห็นเมื่อกี้เราเดินทางมาเนี่ยนกกระจอกเทศเนี่ยเสือสองสมตัวไล่นกกระจอกเทศมันก็ไปกัดตีนกัดโน่กัดโน้นกัดนี่กัดเศษฉีกกินสดๆเลยน่ะอันตรายลงไปในน้ําเจอจระเข้อ่ะ ขึ้นมาบนบกเจอเสือสัตว์เหล่านั้นอยู่อย่างมีเวรมีภัยมีศัตรูรอบได้มีความสุขไหมไม่มีความสุขเลยพวกเราเป็นมนุษย์ ร, รู้สิ่งเหล่านี้แล้วทำให้เราสลดสังเวชในภพชาติของสัตว์สลดสังเวชในภพชาติของตัวเองเลยมองเห็นคุณค่าของการเลี้ยงดูสัตว์บางคนอย่างแมวนี้สุ น, นัขนี้เป็นเป็นสัตว์เลี้ยงมันเป็นสัตว์ที่น่ารัก บางคนเลี้ยงยางดิบย่าง ด, ด, างดีให้นอนนุ่นในให้ให้นอนในห้องนอนเลยนะบางคนเนี่ยรักรั ก, กแมวรักสัตว์เหล่านี้นี่ก็ถ้าสัตว์เหล่าใดตกมาอยู่ในภาวะที่มนุษย์ต้องได้เลี้ยงดูอย่างนี้ก็ถือว่าเขาก็มีบุญอย่างหนึ่งเหมือนกันอยาอยาอย่าลืมว่าทุกชีวิตมาเกิดตามบุญตา ม, ตามกรรมเท่านั้นทั้งนั้นแต่สัตว์เหล่านั้นจะพัฒนา ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วรวดพลาดเหมือนอย่างมนุษย์เหล่าน้เป็นไปได้ยากเพราะมันเป็นพบภูมิที่ต้องไปสวยกรรมไปใช้พบใช้ชาติของกรรมเหล่านั้นอย่างแท้จริงมนุษย์เราเกิดมาตามบุญตามกรรมก็จริงอยู่แต่ว่ากรรมใหม่ที่เราจะพึงพ่งพัฒนาไปมันพัฒนาไปได้เร็วกว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นพัฒนาไม่ขึ้นเลยสัตว์บางตัวสัตว์บางจําพวกมีโอกาสมีบุญ เช่นอย่างสุนัขขอสกัดอย่างนี้หรือแม้แต่ช้างที่ไปอุปถัมภุทธเจ้าในป่าเนี่ยช้างเลไลอากาศแล้วก็มันคลิ้งที่หาน้ําผึ้งหาอะไรไปถวายไปอุปถัมภ์สมัยพุทธเจ้าท่านไปจปําปรญญาในป่าผู้เดียวนั่นแนหะสัตว์พวกนี้เขามีบุญเขามีโอกาสได้ทําบุญได้เพิ่มบุญเพิ่มพบเพิ่มชาติให้กับตัวให้ให้กับตัวเขาเองแต่สัตว์บางจําพวกไม่เคยมีโอกาสเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ประสบพบเห็นอย่างนั้นเหมือนอย่าง โคสกะก็เหมือนกันน่ะหมาโคสกะนี่แหละเจ้าของมีหมาทอนตัวหนึ่งชื่อโคสกะเนี่ยเขาก็มีโอกาสได้ไปกับเจ้าของไปนมิมนต์พระอรหันต์มาฉันในบ้านทุกวันทุกวันทุกวันทุกวั น, วนจนหมาตัวนี้เริ่มโตเจ้าของก็พาไปเรื่อยพาไปเรื่อยพากลับมาพาไปพากลับมาไปนมิมนต์ท่านก็มามาฉันพัฒหารในในบ้านหลังนั้นบางวันเขาไม่ได้ไปเขาก็ให้สุนัขตัวนี้แหละสุนัขโคสกานี่แหละ อไปนิมนต์กุฎิเจ้าไปนิมนต์พระอรหันต์เป็นพระปัจเจกหรือเป็นอะไรเนี่ยจำชักลืมลืมแล้วหล่ะเรื่องนิทานจําไม่แม่นหรอกเราเราไม่ใช่นักประยักษ์มุนเลยจําไม่แม่นบานที่ก็จํามาทั้งเศษยี่สิบสามสิบปีมาแล้วลืมไปแล้วอเขาพกเ ข, า, ขาห่อไปหมดแล้วอืก็ไปไปไ ป, ไปฉั้นที่บ้านของของเศรษฐีที่ใจบุญนั้นเป็นประจําโยมายมาช้าไอสุนัขตัวนี้ก็เลย เชื่องชินกับที่ไปกราบไปนิมนต์พระมาฉันเป็นป ร, จประจำพอดีท่านอยู่ท่านได้ไรได้ผ้าและจะไปทำผ้าหรื อ, อยังไงเนี่ยท่านไปแบบไม่มีกำหนดไม่จะกลับมาเพราะท่านไปหายลับตาไปเท่า น, นั้นเองมาที่เคยอยู่กคิดถึงในที่สุดก็เลยออกแต่ต า, ตายตายแล้วไปเกิดเป็นโคสกัดเทพพระบุตรนี่เห็นไหม อันนี้สงที่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานดูได้ดูแลรับใช้ผู้มีศีลผู้มีธรรมก็เป็นเหตุให้เขาได้ผลได้อันนี้สงแต่กี่ร้อยกี่พันกี่หมืน่นกี่แสนกี่ล้านตัวถึงจะได้ประสบพบเห็นสักตัวหนึ่งจะมีโอกาสได้เพิ่มบุญญาบารมีกับชีวิตของตัวเองสักสักครั้งหนึ่งสักไม่กี่ตัวเนี่ยมาเทียบดูกับพวกเราแล้วพวกเรามีโอกาสมากเพราะพวกเรานี่ทุกคนมีกรรมส่งมาด้วยกันทั้งนั้นอ่ะบางคนก็กรรมดีส่งมา บางคนก็กรรมไม่ดีส่งมาแต่ยัง น, ยน้อยเราก็ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่การพัฒนาในชีวิตจิตใจของมนุษย์มันพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วถ้าหากเราไม่พัฒนาไปในทางที่ดีมันก็พัฒนาไปในทางที่เร็วบางคนพบชาติหรือกรรมเก่าส่งเรามาดีแล้วแต่เกิดเรามาอยู่ในแวดวงที่ไม่ดีแวดวงที่ไม่ดีอยู่ในสังคมพนันบ้างอยู่ในสังคมยาบ้าอยู่ในสังคม คนคอรัปชันทําชั่วชา้าลามกสเพรสะสาระพัดโกงมากโ ก, นโ ก, ง, ก, โกงน้อยโกงเล็กโกงน้อยเราไปอยู่ในสังคมเหล่านั้นทั้งๆ ท, ท, ที่พบชาติส่งเรามาดีแล้วเรากลับไปติดจิงแวดล้อมที่เป็นปัจจุบันคมปัจจุบันกระพลิกผ่านชีวิตของเราไปบางทีพบชาติทั้งพบชาติเขาอาจจะทําคุณงามความดีแค่ห้าเปอร์เซความชั่วทั้งเกาปเราลองคิดดูดิเขามีโอกาสที่จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์อีกไหม ย่อมตกต่ําไปมากกว่าเดิมไม่มีทุนรอนพอที่จะทำให้เราเมาบัตรเป็นมนุษย์ในสู่ไปเปียสัตว์เดรัจฉานบางทีก็ลึกแปกว่านั้นเป็นสัตว์นรกขุมนั้นขุมนั้นขุมนั้นไม่มีประมาณอันนี้หมายความว่ากรรมเก่าทรงระ ม, มาดีแล้วแต่กรรมไปอยู่ในแวดล้องแวดล้อมของกรรมใหม่ที่มาดีทําให้เราตกต่ําไปใจของเราของท่านน่ะถ้าเราพัฒนาไปในทางที่ดีก็ไปได้อย่างรวดเร็ว ถ้าพัฒนาไปอย่างไปในทางที่เร็วก็พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วเพราะโรคนี้โรคนี้เป็นโรคที่หาได้ไม่ขีแก่ท่านว่าโรคนี้เป็นโรคหาได้ตั้งใจทําให้ดีให้ถึงที่สุดก็สามารถทําให้ถึงที่สุดได้ตั้งใจเรวให้ถึงที่สุดก็ลงต่ํา ำ, ำ ส, สุดได้เช่นเดียวกันไม่มีอะไรเป็นเกณฑ์เป็นประมาณเอาข้อปฏิบัติเอาความประพฤติเอากรมที่เราทําในปัจจุบันนี้เป็นเกณฑ์เป็นประมาณเนี่ยเทียบสัดส่วนคนที่มี กรมส่งมาดีแล้วมาเกิดแค่เป็นมนุษย์สติก็ไม่ค่อยดีสัมผััญญาก็ไม่ค่อยดีทรัพย์สมบัติก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ลาบยศเกียรติอะไรอะไรก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แต่ไม่อยู่ในแฟกวงที่เป็นศีลเป็นธรรมทาให้คนนั้นมีโอกาสให้ทานมากให้มากไห้น้อยมีโอกาสตั้งใจรักษาศีลบ้างรักษามากรักษาน้อยมีโอกาสได้ฟังเทพด้เจริญพระพุทธมนต์ทำทำให้จิตได้รับความสงบมีโอกาสได้ตั้งใจ บำเพ็ญสมถะสมถะคือเจริญสมาธิให้เกิดขึ้นในหัวใจของเราเองแล้วก็มีโอกาสพิจารณาเพื่อทำลายความหลงของเราพัฒนาไปจนถึงที่สุดทำให้เขาเหล่านั้นมีอุดมกติน้อมไปเพื่อการบวชเพื่อการตั้งใจรักษาสิ่งเพื่อการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดบางคนสามารถทำได้เป็นอธิศิ่งสามารถทำได้อธิจิตความสงบอย่างยิ่งยวดเป็นอธิปัญญาพิจารณาให้ถึงที่สุด ทำลายความหลงในภพชาติของตัวเองไปยังไม่ถึงที่สุดเป็นกัลยาณนะ์ปุถุชนก็ยังดีเป็นกัลยาณชนเป็นปุถุชนอยู่แต่เป็นกัลยาณชนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทางด้วยศีลบางคนก็มีโอกาสดีทีตัวไปได้เป็นพระโสดาพระสิบิทาคาพระอนาคาบางคนกรรมเก่าส่งมาดีแล้วทีตัวไปพ้นเป็นพระอาหารหันต์สุดเลยก็มีเนี่ยมาพัฒนาไปถึงที่สุดก็ได้ นีหมายกว่าว่าการที่กรรมสรงระมาอยู่ในแวดวงที่ดีกับอยู่ในแวดวงที่ไม่ดีทําให้เรามีที่ไปไม่เหมือนกันย่อมผิดแผกแตกต่างกันอยู่อย่างนี้นี่เราพูดถึงการพัฒนาไปในชีวิตจิตใจของรุษจะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วรเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาถือว่าเราเกิดมาถูกถูกที่ได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้า เอาธรรมะที่เป็นคําสอนที่เป็นหลักแห่งสัมมาทิฏฐิเข้าสู่หัวใจเนื่องจากว่าไม่ว่าจะเป็นความนึกความคิดของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกับคนที่ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องสัมมาทั้งหลายทั้งปวงแม้แต่คนที่อยู่นอกาศาสนาก็เช่นเดียวกันไม่เกี่ยวข้องกับาศาสนาพุทธเนี่ยอ่าก็ย่อมมีคําสอนที่ยังไม่อุดมสมบูรณ์เท่ากับพระพุทธศรรสาสนาก็เป็นเหตุให้ถีบตัวไปได้ช้าโอกาสที่ทําให้เราให้เขาได้สวรรค์ ก็ได้ยุแต่จะไปนิพพานไปได้ยากเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ถึงพร้อมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยมรดุด้วยผลด้วยนิพพานมีในาศาสนาของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพวกเราจึงเป็นผู้มีโอกาสมีโชคดีมีวาสนาดีเมื่อเราได้มาอยู่ในแวดวงที่ดีอยู่อย่างนี้อย่าปล่อยโอกาสดีๆอย่างนี้ให้หลุดไม้หลุดมือไปอเวลาเรามาอบรม อ, อย่างนี้เราก็พยายามกําหนดจดจําจ ำ, จำข้อประพฤติจำข้อปฏิบัติ จำอุบายวิธีในการตั้งใจรักษาศีลในการตั้งใจทําจะให้ได้รับความสวดในการพิจารณาคลี่คลายทําลายโมหะความรุ่มหลงในจิตของเราเพื่อที่ให้จิตของเรามันเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้นเด่นขึ้ น, น, นจนสามารถถีบตัวขยับขึ้นไปเป็นผู้มีศีลเป็นอธิศีลคําว่าอธิศีลหมายความว่ารักศีลอย่างยิ่งรักษาศีลอย่างยิ่งรักษาศีลจริงกว่าชีวิตนะรักษาศีล ตั้งใจรักสินรักสินยิ่งกว่าชีวิตรักสินยิ่งกว่าชีวิตจนเป็นอทิศินถ้ามีเหตุที่จะทําให้ให้เราขาดสินข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะเราอยู่ในฐานะที่รักษาศิน5หรือฐานะรักษาศิน8หรือฐานะรักษาศินสิศินสอี่สิบหรือศิล311ริภิกษุณีเขาบอกถือสิน311นะถือศินมากรู้ว่าข้อใดเป็นข้อย่มยิ้มยๆ แม้แต่พระสงค์เราเนี่ยสินที่มาในพระปฏิโมกข์ก็ตามสินที่มาในส่วนที่เป็นอภิสมาจารย์เป็นข้อปฏิบัติเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามสิ่งใดก็ตามที่พระพุทธเจ้าท่ร ง, งห้าวว่านั้นอย่าทำนะอันนั้นอย่าทำนะนนน ท, ำนะท่านทรงอนุญาตว่าพิสุทธนะิ์ต้องทำนี้นะต้องทําำนี้ต้องทํำนี้นะถือหมดทุกข้อทุกถ้อยทุกกระทงไม่กล้าทําให้สินขาดเอาชีวิตไปแลกสินไม่ให้สินขาดนี่คือคือศินอย่างยิ่ง แต่ผู้ที่จะตั้งใจรักษาศีลอย่างยิ่งได้เป็นต้นไปที่เราพอจะเป็นประจักษ์พยานได้ก็นับตั้งแต่พระอริยะบุคคลชั้นพระโสดาบันเป็นต้นไปอันนี้ศีลท่านก็ยิ่งศรัทธาท่านก็ยิ่งศรัทธาท่านก็แน่นหนามั่นคงเพราะอะไรเพราะพวกนี้มีประสบการณ์ทางด้านจิตใจของตัวเองของตัวเองเช่นอย่างพระอริยะบุคคลชั้นพระโสดาบันขึ้นไปตามที่เราได้ยินได้ฟังได้อ่านได้ศึกษาได้รู้ได้เข้าใจ เป็นผู้มีศรัทธาไม่คลอนแคลนทําไมท่านจึงมีศรัทธาไม่คลอนแคลนที่เรียกว่าอาชลศรัทธาศรัทธาของพระอริยบุคคลมีศรัทธาไม่คลอนแคลนแต่พูดถึงว่าการให้ทานให้ให้การให้ทานผู้ที่มีดํารงตอนอยู่ในพระโสดาบันเนี่ยให้ทานจนหมดหมดเนื้อหมดตัวท่านเปรียบเหมือนกับว่าอาหารหมดแล้วเหลือจานเหลือข้าวจานเดียวเนี่ยเหลือข้าวจานเดียวก็หลังจาก กำลังจะตักข้าวปากด้อยซ้าไปนะอาหารจานเดียวนั้นมีคนมีคนไปถึงพอดียังไม่ได้รับทานอาหารยกให้เขาทันทีเลยนะเห็นคุณค่าของการให้คนอื่นมากกว่าการที่จะมาเข้าปากของตัวเองอิ่มท้องของตัวเองเห็นผลเห็นอนิสงฆ์ในการให้มากกว่าเราเข้าปากของตัวเองตัวเองยอมอดนี่คือการเอาจิตของผู้ได้เข้าถึงกระแสธรรมเนะี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธ า, า ก, กับทานถึงขนาดนั้น นะคุณธรรมเหล่านี้ให้เห็นผลเห็นอนิสงของการตั้งใจให้ทานเห็นผลเห็นอหนอณิส์ของการตั้งจใจรักษาศีลศีลไม่กล้าขาดไม่กล้าทะลุกลําให้ทุลุให้ด่าให้พร้อยเนี่ยสํารวมระมัดระวังรักษากรรมมาแต่ละวันแต่ละคืนร่วมไปมองเห็นกรรมของตัวเองอย่างบริสุทธิ์ผุดผ่องด้วยความสํารวมระมัดระวังถือว่าเป็นผู้มีทิฏฐิที่สมบูรณ์ขั้นแรกระดับแรกนี่ มีความเลื่อมใสศรัทธาไม่คลอนแคลนต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานธรรมะเบื้องสูงเป็นต้นไปทําไมถ้าจงมีศรัทธาไม่คลอนแคลนเหมือนหลักโอสูงเท่าไหร่ล่ะแปดแปดสอบหรือสิบแปดสิบสอบเป็นต้นฝังนึกลงไปในดินนะไม่มีที่จะโยกที่จะกลอนจากพายุจากแดดจากฝนจากอะไรต่ออะไรต่อการที่คนจะไปโยกไปคลอนไม่มีใครสามารถจะไปโยกไปคลอนได้ ทำไมท่านจึงไม่ยกไม่คลอนเพราะจิตของท่านได้เข้าถึงอรยิยสัจได้เข้าถึงอรยิยสัจเบื้องต้นเห็นประจักษ์พยานด้วยปัญญาด้วยปัญญาญาณของท่านไม่มีใครสามารถจะไปตกตาท่านได้ไปโ ก, กหกมดเท็ดท่านได้ด้วยเหตุ น, นี้เองสัจจ์เหล่านี้เองเชื่อสัจจ์ที่ตัวเองเข้าไปรู้เข้าไปเห็นว่าตัวเองเข้าไปถึงกระแสธรรมอย่างแท้จริง รู้ด้วยตัวของตัวเราเองไม่ต้องมีใครมาทายมาทักว่าคนนี้ถึงหรือยังคนนี้ถึงหรือยังคนนี้ถึงอย่างไม่ต้องมีใครทายเรามาคิดดูกิเลสใน ห, หัวใจของเราเวลามีอยู่นั่นแหะเราจะต้องให้ใครมารู้คนนี้มีมีโลคโลคมากมากเนี่ยมีโทสะจริตเนี่ยมีโลภะจริตมีโทสะเจริตคนนี้มีโลคมากๆกกำลังโลคมากๆกกำลังราคะตัณหามากๆเราจะให้ใครมารู้เรารู้เอง เวลาความโลภเกิดขึ้นในหัวใจเวลาความโกรธเกิดขึ้นในหัวใจเราจะให้ใครมารู้เราต้องรู้เราเองเวลาเวลาเราปฏิบัติด้วยข้อปฏิบัติขัดกล่าวไปทําให้ความโลภเบาบางไปทําให้ความโกรธชักลงไปเงีย้ยเราจะให้ใครมารู้เราต้องรู้เองพราะเจ้าท่านทรงตรัสว่าปัจจตังปัจจตังอันวิญญูปุญโภชนนะปัจจตังเวดีตบบวินญูหิ รู้จำเพาะต่วนรู้จำเพาะต่นรู้จำเพาะใจของผู้ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติแล้วก็เข้าถึงเราจะต้องให้ใครมารู้ไม่ต้องมีใครรู้ส่วนมากคนที่มักจะเอาอันนี้มาพูดว่าต้องมีคนมาทายทักต้องมีคนมาทํานายทายทักต้องมีคนมาพยากรพระพุทธเจ้าท่านล่วงไปแล้วไม่มีพระอาหารไม่มีใครพยากรณ์ไม่จําเป็นจะต้องมีใครพยากรณ์คนที่พระพุทธเจ้าท่านพยากรณนั้นท่านพยากรให้กับบุคคลที่สาม ยกตัวอย่างเช่นอย่างพระจักขุบานเนี่ยพระจักขุบานท่านท่านตัน้งใจปฏิบัติเด็ดเดี่ยวพรรษานั้นท่านไม่นอนตั้งจิตอธิษฐานไม่นอนทั้งพรรษาแม้แต่จนจ น, จนท่านาเป็นโรคตาเป็นโรคตาไปรักษาข้าหมอหมอให้นอนนแค่นอนหยอดยาท่านไม่ยอมไหนเมื่อไม่ยอมในเมื่อไม่ยอมหมอเขาตัดโอ้ถ้าหากท่านไม่ยอมนอนหย่อนยาของของโยม ท่านจะบอกว่ายมเป็นคนรักษาท่านนะเสร็จแล้วท่านก็ไม่ดูแลไม่รักษาท่านอีกแล้วไม่ดูแลไม่รักษาท่านท่านก็บอกว่าถ้ากับตั้งใจบําเพ็ญเพียรในรรษานั้นในสุดในสุดตาท่านแตกธรรมะในหัวใจกิเลสแตกแม่แตกลูกแตกอวิชชาตันหาวปาทานแตกปริญาไปจากหัวใจของท่านท่านได้เข้าถึงความเป็นพระอรหันต์กิจของท่านหลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งเหล่านี้ทีนี้ ท่านก็ออกจากป่าไปไปฟ้าผู้ติเจ้าแล้วก็ไปพักอยู่ที่ที่ท่านพักอยู่เนี่ยพอดีฝนตกวันนั้นฝนตกท่านก็ลงมาเดินจงกรมมีหลานหรือมีน้องชายเนี่ยให้หลานมาดูแลมีน้องชายให้หลานมาดูแลท่านก็เดินจงครมเน่ยฝนตกใหม่ๆแมงเม่ามันก็ออกมันบินสูงก็มีบินต่ําก็มีบินแล้วมันลงอยู่แถวนั้นก็มีท่านก็เดินยำไปย่ำมาย่ำไปยำมาก็เหยียบแมงเมาตายพระผุ้ดชนไม่รู้ไม่เห็นก็มาจํานียท่าน เฮยตอนหูดีตาดีอะไรดีไม่ตั้งใจบําเพ็ญเพียรหูหนวกตาบอดแล้วมาตั้งใจบําเพ็ญเพียร เ, เรื่องอะไรตรงนี้เนี่ยเดินเหยียบยำ่ำแมงเม่าตายเป็นฝูงเป็นฝูงนั่นแหะไม่เห็นทุกเห็นโทษเห็นอะไรก็จำหนิต่านนี่นท่าน น, นี้ก็เรื่องเหล่านี้ก็ไปถึงครูทิเจ้าครูทธเจ้าท่านผจงตรัสว่าเอออย่าไปจำหนิต่านท่านไม่มีเจตนาที่จะฆ่าสัตว์แม้แต่ตัวเดียวแม้แต่ความนึกความคิดท่านไม่มีเพราะท่านพ้นไปแล้วนี่อาศัยว่า พระพุทธเจ้าท่านพยากรให้กับบุคคลที่สเข้าใจไม่ใช่พยากรให้กับบุคคลที่หนึ่งนะไม่ใช่บุคคลที่หนึ่งคือพระพระจักรุบาลบุคคลที่สองคือผู้ทุจรที่ไม่รู้ไม่เห็นไปจำหนึท่านท่านพยากรเพื่อให้บุคคลที่สามนี่แหละเข้าใจบางทีพวกเราก็เข้าใจสับสนเหมือนกันเจ้าพูดเราบางทีเราก็ศึกษาน้อยศึกษาประยุกมากก็จริงบางทีก็ไม่เข้าใจเรื่องหลักปฏิบัตินี้มันก็ลําบากเหมือนกัน ท่านปยากรให้บุคคลที่สามต่างหาก า, การรู้ภายในนะรุธิญท่านทรงตีตราวไว้แล้วปัจจตังเวริตบววิญูหิตวินญูชนพึงรู้เฉพาะตนรู้เฉพาะตนรู้เฉพาะต น, ะตนเมื่อเมื่อมีความรู้โผล่ขึ้นมาแล้วบรรลุแล้วบรรลุแล้วบรรลุแล้วถ้าหากเราจะเทียบไปที่พระอัญญาโกนธัญญารุติยะท่านทรงแสดงธรรมาจากกับ เพราะวัฒนสูตรเนี่ยพอแสดงจบพระอัญญาโกลอัญญเข้าถึงกระแสรธรรมยังกินกิสมุนีธรรมังสบปันตนิโรธาธรรมังคือจิตของท่านเนี่ยส่งกระแสจิตไปตามธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยเหตุที่ท่านรักษาศิ้นยิ่งมาเยอะมาแล้วเจอสมาธิยิ่งมาแล้วจิตของท่านก็สงบนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเอากระแสรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พุทธเจ้าสแสดงธรรมไปถึงตรงไหนเจียมท่างก็ไปถึงไปถึงไปถึงในสุด ในที่สุดจบธรรมเทศนาจิตของท่านเข้าถึงกระแสธรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาคือมองเห็นเหตุเห็นปัจจัยคือมองเห็นเหตุแล้วก็มองเห็นผลมองเห็นผลแล้วก็มองเห็นเหตุสิ่งที่มีความสําคัญหัวใจของพระโสดาบันก็คือเหตุกับผลขึ้นขึ้ น, ข, นขึ้นหน้าขึ้นตานี่คือทุกอย่างในโลกรวมลงที่เหตุกับผลเท่านั้น ดีชั่วก็คือเหตุกับผลดีก็คือทำเหตุดีผลก็ย่อมตกมาดีชั่วก็คือเหตุเหตุชั่วผลย่อมตกมาชั่วอย่าลืมว่าเหตุของดีกับเหตุของชั่วมันมาจากคนละแห่งผู้ที่เป็นเหตุต้นตอนที่จะพายทากรรมดีกับกรรมชั่วเนี่ยมาจากคนละแห่งเนื่องอันสืบเนื่องมาจากภายในจิตของเรานั้น่ะมันไม่ใช่มีแต่ธรรมมันมีกิเลสแทรกเข้ามา ด, ด้วย พวกเราไม่ทราบเลยว่าพวกเราเนี่ยผู้รู้ของเราเนี่ยธาตุรู้ของเราเกิดมาตั้งแต่กับกันปุริชาติไหนเราก็ทราบไม่ได้ทราบแล้วว่าเราเกิดมาแล้วเรามีความโลภความโกรธตามมาด้วยพบชาติทั้งหลายที่เราเกิดสูงเกิดต่ำเป็นสัตว์เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหมก็เปลี่ยนไปนแตง่งเปลี่ยนแปลงไปตามอํานาจกรรมที่เราสร้างที่เราทํามาเนี่ยเราก็เลยได้ไปตามนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเกิดขึ้นโดยอํานาจของเหตุของผล พระอัญญาควรทัญญาฟังไปถึงตรงนี้จิตใจเข้าถึงกระแสธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานขึ้นม า, าคนทัญญะได้รู้แล้วหนอคนทัญญาได้รู้แล้วหน อ, นนหนอเพราะเป็นบุคคลแรกเป็นประจักษ์พยานธรรมะที่พระองค์สง่งบรรลุไปแล้วนั้นเป็นผู้พลอยเข้าถึงกระแสธรรมตามพระองค์ไปได้ถ้าเป็นเราเร า, เราเราไปทดสอบทดลองอย่างใดอย่างหนึ่งจนเป็นเหตุให้จนเป็นเหตุให้เป็นที่พอใจพอใจ ใครบ้างที่จะไม่เกิดความรู้สึกยินดีแม้พระริจ้าท่านอุทานขึ้นมาแต่ภาษาของท่านเราก็จะไม่เรียกคําว่ายินดีมันเป็นคําอุทานขึ้นมาเป็นการอนุโมทนากับเราด้วยโอ้โกนสัญญะได้รู้แล้วเนาะโกนสัญญาอัญญาสิวัตโขโกนอัญญาสิวัตโขโกนอัญพระอัญพระอ่าพระโกนสัญญาได้รู้แล้วเนาะอัญญาสิยอัญญาสิรู้แล้วเนาะรู้แล้วเนาะพระอัญญากโกณสัญญาเลยได้ชื่อ คำว่าอัญญาโกนธัญญน้ำหน้านี่เราพูดถึงบุคคลที่ฟังธรรมและจิตเข้าถึงกระแสธรรมมีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านพูดขึ้นมาว่าครูบาอาจารย์เรายังมีชีวิตยอยู่ในปัจจุบันเราฟังแล้วเราก็ตกใจว่าเหมือนกันนะท่านพูดว่าโอพระพุทธเจ้าหลังจากหลังจากท่านตรัสรู้แล้วเนี่ยเทศนากันแรกของท่านเนี่ยเกือบไม่ได้อะไรโอ้พูดไปเราตกใจเลยเกือบไม่ได้อะไร ตโตโตโตเกือบไม่ได้อะไรนะก็เหมือนอย่างท่านว่าจริงๆเพราะดีมันติดพระอัญญาโกลทัญญะจนเป็นเหตุให้พระองค์เนี่ยสองอุทานออกมาอนญาสิวัตโพคนอันโยอนญาสิวัตโพคนอันโยจิตของพระอัญญาโกลทัญญาเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงเหตุถึงผลอันนี้แหละเป็นหลักสัจจะที่มีประทับใจของของพระอริยะบุคคลเป็นชั้นไปพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหัน ก็ขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยตามชั้นตามภูมิของเหตุของผลของความลึกความตื้นของสมุไทยที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราถ้าตื้นๆเราก็ไปเห็นได้ง่ายเห็นได้ก่อนถ้าลึกก็ไปอีกโสดาสกิทาคาพระอนาคานิพระอราหันต์ก็ละเอียดลึกเข้าไปเรื่อยถ้าเราพูดธรรมะถ้าเราทิ้งตรงนี้แล้วมันก็ไม่มีกําลังใจสำับผู้พูดไม่มีกําลังใจสำับผู้ฟังก็เลยเป็นเหตุให้เราต้องพูดมาถึงหลักความเป็นจริงตรงนี้ บางคนก็พูดว่าโอ้ยคำสองคาก็พระอนาคาพระสกิธาคาพระอนาคาพระอาารัฏฐานคำสองคำกับพระอนาคาพระอาารัฏฐานถ้าเราไม่เอาสิ่งเหล่านี้มาพูดเราไม่รู้จะเอาอะไรมาพูดอันนี้พวกเราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ก็สืบก็ทอดก็ต่อกันมาเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไหมเป็นอยู่จริงไหมอย่างในโลกปัจจุบันพวกเราตั้งใจปฏิบัติไหมอบรมมักกันไหมอริยมักมีองค์แปตั้งใจอบรมกันนะ ครูบาอาจารย์สายป่าเราก็มีอยู่เต็มป่าเต็มลงตราบใดที่มีการตั้งใจปฏิบัติตั้งใจบังเพลนตั้งใจขวนขวายมีปริญญาต์แล้วก็มีปฏิบัติแล้วก็มีปฏิเวทปฏิเวทก็ต้องมีตราบใดที่มีการเรียนการสอนแล้วก็มีการเอามาปฏิบัติอย่างยิ่งยวดแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่นรู้ท่านเห็นท่านเข้าใจแนวปฏิบัตินี้มาบอกมาแนะมาสอนทําให้ผู้ตั้งใจฝึขขกฝนอบรมแล้วก็ตั้งใจเอาข้อปฏิบัตินั้น ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามให้โอกาสกับตัวเองผลก็ต้องตามมาเป็นเรื่องธรรมดาไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาอย่าไปว่า 5,000 ปีเถอะตราบใดที่ยังมีคนตามปฏิบัติอริยมรรยงแปดไปเรื่อยๆพระอาหารหันจะไม่สูญไปจากโลกพรนะพุทธเจ้าท่านสงพยากรณ์เอาไว้แล้วแต่ทำไงอะพวกเราเดี๋ยวนี้ก็มา 2,500 าตั้งแต่พุทธเจ้าบรรลุมหาักปี 2,558 นะแต่เมื่อ2ปีก่อนนั้นก็ครบวันที่พระเจ้าบรรลุธรร ม, ม 2,600 26ปี 2,500 2,555 บวกกับอีก45ปีเป็น 2,600 ปีหลังจากที่พระเจ้าท่านได้บรรลุธรรมมาแค่ 2,000 เองเกินพุทธกาลเกินพุทธกาลไปนิดหน่อย เหลือจากนี้ไปอีกสองพันกว่าปีพวกเราดูไปแล้วเป็นไงเรียวแหลมเข้าไปไหมเรียวแหลมไปเรื่อยเรียวแหลมไปเรื่อยเรื่หรือเปล่าคําว่าเรียวแหลมก็คือพวกเราเนี่ยถูกอํานาจของโลกมันครอบงําโดยเฉพาะอย่างสมัยปัจจุบันนี่มันเป็นสมัยเทคโนโลยีอันนู้นกนมาล่ออันนี้ก็มาล่อเห็นไหมมือถือทุกคนเ่ยมีคนละอันคนละอันเช้าขึ้นมาก็นั่งงอมเย็นขึ้นมาก็นั่งงอมกลางวันก็นั่งงอมงอมดูข้อมูลอะไรอยู่ในนั้น บางทีก็ลืมข้อปฏิบัติของตัวเองนะฮะแล้วก็มีสิ่งดีอยู่ในนั้นด้วยเหตุที่กิเลสในหัวใจของเรามันมันคอยหาช่องหาทางที่จะออกอยู่แล้วบางคนก็ไปเปิดดูแต่อสิ่งที่เป็นเหยือ่อเป็นอาหารของกิเลสอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเงี้ยอ่าเมื่อเปิดดูสิ่งที่เป็นเหยื่อของกิเลสกิเลสอยู่ในหัวใจในเมื่อเราหาเหยื่อป้อนให้มันมันก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอ่าเพราะอะไรเพราะมันเป็นเหยื่อของมันเราป้อนไปเท่าไหร่ มันก็เพลินใจมันละป้อนไปเท่าไหร่มันก็เพลินใจมันก็ชอบใจกิเกาะติดเกาะติดด้วยอาหารของกิเลสกิเลสในใจเรามันโตแต่ธรรมะมันแฟบลงแฟบลงแ ฟ, บลงแฟบลงโอกาสที่จะเปิดเปิดหาข้ออัดข้อธรรมที่มีเงิในนั้นก็มีอยู่แลม้ ม, มีมีทั้งสิ่งดีมีทั้งสิ่งไม่ดีแต่คนบังคับตัวเองยังไม่ได้ไปใช้สอนเสียหายมากคนที่บังคับบัญชาตัวเองแล้วได้แล้วเปิดเห็นข้อมูลแต่สิ่งที่ดีๆยึดถือเอาแด่ ข้อปฏิบัติที่ดีๆมีอยู่ในนั้นเต็มไปหมดครูบาอาจารย์เดี๋ยวนี้าไปโปลอยู่ในนั้นเต็มไปหมดลูกศิษย์ลูกหาเอาไปโพสเข้าไปในนั้นเต็มไปหมดข้ออัดข้อทำที่มีอยู่ในนั้นนี่พวกเราก็เลยมาแพ้ตรงนี้กันซะเพราะเราเห็นว่าอันนั้นก็เจริญอันนี้นก็เจริญเราพิจารณาดูให้ดีแล้วข้ออัดข้อทำของพระพุติยจาที่ท่านพูดละเอียดละออลึกซึ้งมากกว่าสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติอย่างยิ่งยวดจะทําให้ราคะของเราเบาบางไปจะทําให้ความโลภของเราเบาบางไปจะทําให้โทสะของเราเบาเบาบางไปจะทําให้ความมืดบอดในหัวใจของเราที่จะเรียกว่าอวิชชาตันหาวปาทานเบาบางไปความมืดเหล่านี้จะค่อยๆเบาบางไปความสว่างในหัวใจก็จะเริ่มจะเริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่เราตั้งใจศีคลครบสมบูรณ์บริบูรณ์ เราตั้งใจเจริญสมาธิให้สมาธิเริ่มแนบแนบมั่นคงในหัวใจเราใจของเราก็จะเริ่มสว่างจากนั้นเรามาพิจารณาทางด้านปัญญาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นอย่างเข้าถึงหลังของของสัจธรรมอันนี้องทุกครังอนัตตาให้เห็นรูปธรรมเราให้เป็นอนิจ้อยงทุกขรังอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการของนามธรรมแต่ละอยา่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นอนิี้อย่างทุกขังอนัตตาเราได้ข้อปฏิบัติเราได้ข้อประพฤติเราได้ข้อปฏิบัติ อันนี้เป็นคุณสมบัติของเราที่จะทําให้เราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเบือ่อหน่ายคลายจางสางจากความเมาในโลกนี่คือวิธีการที่จะทําให้เรานะรู้จักรู้จักยกรู้จักเปิร์ลรู้จักเลิกใบไม้ที่เราไปหมกอยู่ใต้ใบไม้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราจะเที่ยวกับเมื่อเราเนี่ยเป็นสัพท์ตัวหนึ่งไปหมกอยู่ใต้ใบไม้ใต้ใบไม้อยู่ได้อยู่ใต้กอไล่อยู่ใต้ก้อนหินอยู่ใต้อะไรต่อนะไรน่ะเราถูกหมกอยู่ในโลก หมกอยู่ในโลกเพราะอำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เองผู้ที่มีความฉลาดเท่านั้นที่จะมองเห็นตรงนี้แล้วก็ตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติจนสามารถขยับตามท่านก็ได้ขยับตามท่านก็ได้จะรู้สึกแปลแตกต่างอัศจรรย์กับเมื่อก่อนที่เราเคยมีเราเคยเป็นถ้าหาเราตั้ง อ, อกตั้งใจทําตามนี้ชีวิตจิตใจเราก็จะพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว พระหัวใจของมนุษย์เป็นหัวใจที่พัฒนาไปได้อย่างรวดเร็วในเมื่อเรามาอยู่ในแวดล้อมในทางที่ดีอยู่อย่างนี้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจตั้งปณิธานเอาไว้เราทั้งหลายจะตั้งใจรักษาศีลจะตั้งใจเจริญสมาธิจะตั้งใจเจริญปัญญาให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นได้มรดได้ผลในอัตภาพนี้ในอัตภาพนี้และจะตั้งใจปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้ไปจนตายเอาชีวิตเหมนเดิมพันธ์ คำาคำอาชีวิตเปลี่ยนเดื่อผันก็คือตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งแต่วันนี้ไปจนตายคนนี้รู้จักพยุงพบพยุงชาติของตัวเองเพราะพบชาติของเราของท่านของใครเท่านั้นไปโปลที่ไหนกองทุกโปลที่นั่นไปโปลที่ไหนกองทุกโปลที่นั่นไปโปลเป็นสัตว์เป็นช้าก็กองทุกไปโปลที่นั่นมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ว่าจะยากดีมีจนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีอะไรอะไรต่ออะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกันไม่ว่า ยศไม่ว่าเกียรติไม่ว่าศักดิ์สิทไม่อะไรอะไรความทุกข์เท่าไหร่เนี่ยเหมือนกันความทุกข์ที่ทับถมอยู่ในหัวใจกิเลสตัณหาอาสวะเต็มแปร่อยู่ในหัวใจบุคคลที่ตั้งใจฝึกฝนอบรมเพื่อจะขยับขยาสิ่งเหล่านี้ออกจากหัวใจเพื่อจะถีบตัวให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ตัณหาจะสามารถเบาวบางแล้วก็พ้นไปได้ในที่สุดนี้เพราะเรามีโอกาสที่จะจัดที่จะสร้างที่จะทําความสงบนั้นรู้สึกยากเหลือเกินไปที่นู่นกับสัมมาทังไปที่นี่ก็พ้องน้อยยุ่งน้อย ไปที่นู่นก็ออ่าะไรพิจารณาอะไรแต่ไรเนะี่ยอือบางคนก็โอ้อย่าไปสมถะนะอย่าไปสมถะนะเสียเวลาเสียเวลาบางคนก็ไม่ประยุกต์มาให้เกิดให้เกิดความเข้าใจตามหลักอริยมรรคมีองค์ไปบางคนก็บอกโอ้สมถะสมถะเสียเวลาเสียเวลาทําให้พวกเราเนี่ยที่จะเจริญสมาธิพวกเราเจริญสมาธิพวกเราก็ไม่ค่อยจะมีความอยากในการที่จะทําให้จิตมีสมาธิ บางคนก็ว่าเอออยาไปเจริญสมาธินะอยกปเจริญสมาธิเดี๋ยวติดสมาธิทั้งทั้งที่เรายังไม่มีทรัพย์อะไรเลยกลัวจะรวยโอ้ยรวยแล้วลำบากนะรวยแล้วลาบากนะมีสมาธิแล้วลาบากนะติดสมาธิสิยังไม่มีเลยกลัวไปก่อนแล้วสัมมาสมาธิเป็นสมาธิของพระพุทธเจ้าที่ท่านท่านให้พวกเราตั้งใจฝึกฝนอบรมตั้งใจระพืติตั้งใจปฏิบัติเพราะสมมาสัมมาสมาธิของพระพุทธเจ้ามีความพร้อมอยู่ในนั้น สติก็พรั่งพร้อมอยู่ในนั้นสมาธิก็แนบแน่นมั่นคงพรั่งพร้อมอยู่ในนั้นพิริโอตปะวิริยะอุตสาหะความภาคความเพียรความปวดความทนพรั่งพร้อมอยู่ในนั้นสมาธิของพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิโหัต่อไม่ใช่สมาธิโคนเสาไม่ใช่สมาธิก้อนหินก้อนดินก้อนอิดก้อนหินก้อนดินก้อนสายไม่ใช่สมาธิของพระพุทธเจ้าท่านพูดถึงวิตกวิจารณ์ ปีติสุข e. K. K. K. เอกัคตาราดูปฏิอารมณ์ใครสามารถทรงอารมณ์แค่นี้ได้คนนั้นก็ได้เข้าถึงความสงบความสงบเหล่านี้มันจะตัดความสนใจของกามาคุณทั้งหลายออกจากหัวใจมันเป็นการเริ่ม เ, เ, เ, เ, เอาใจของเราออกจากกามเริ่มเอาใจของเราออกจากกามกามก็คือกามคุณนั่นแหละจิตของใครเนี่ยวุ่นไปแตกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสเรื่องปัญหาสรารพัด ท, ที่มีมาพันอยู่ในหัวใจ วนอยู่ในนั้นหาความสงบไม่ได้เราเอาจิตที่หุ่นนั่นเลยมาภาวนาให้จิตได้รับความสงบตักอารมณ์ทั้งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นออกให้เหลือแต่พุทธโธมีสติประคับประคองพุทธโธพุทธโธครูบาอาจารย์เราก็ท่านก็เพิ่มเข้าไปอีกเอากําหนดลมนะลมเข้าพุ ท, ท, ล, มพทลมออกโทลมเข้าพุทลมออกทูเราดํารงความรู้สึกอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนจนกว่าพุทโธกับ พุโทโธกับสติกับสัมปชัญญะกับผู้รู้กับอะไรประสมกลมกลืนเป็นอันเดียวกันนะเริ่มแรกกับวิตกพุโทโธนี้เป็นวิตตวิจารณคือประคองเอาอะไรประคองเอาสติเอาสัมปชัญญะ เ, เอาผู้รู้นี่แหละสติสัมปชัญญะก็คือกิริยาการของใจกิริยาการของใจเอามาประคองใจเราต้องบังคับนะเราต้องบังคับบางคนก็ชอบพูดว่าการปฏิบัติธรรมบังคับไม่ได้ การปฏิบัติทำเราบังคับส่วนเหตุเราบังคับไปเลยบังคับให้เต็มร้อยบังคับให้เกินร้อยบังคับไปได้เลยแต่ส่วนผลเราอย่าไปบังคับถ้าเราบังคับเอออยากรู้เอออยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังอยากมีฤทธิ์มีเดชอยากมีอภิญญาอยากได้พระโสดาพระสกิทาคาระคะไปพร่ำแต่สิ่งเหล่านี้ผลมันจะเกิดไม่ได้ผลจะเกิดไม่ได้เราไปบังคับในส่วนที่เป็นผลให้เราบังคับไม่ได้ ผลเหล่านั้นถ้าเราตั้งใจเร่งบำเพ็ญอยู่นั้นเนี่ยไม่ปล่อยให้จิตเกิดความว่างเกิดช่องว่างที่จะทําให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นได้คุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดไม่ได้เหมือนกันแล้วยกตัวอย่างเช่นอย่างพระอนอนท์เนี่ยรู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่เราได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พระอนอนท์เจริญสมณะธรรมทั้งคืนเลยเหมนนเะสติสัมปชัญญะกำลงแนบนำลงแนบแน่นตรอดจิตไม่ว่างจิตไม่เกิดช่องว่าง อริยธรรมที่จะพึงโปล่ในหัวใจของพระนรเกิดไม่ได้ใกล้จะสวา่างเลยอยากพักผ่อนกําลังจะเองตัวลงนอนตอนนั้นเกิดทอดทอดธุระทอดอะไรในการปฏิบัติธรรมกาลังจะเองตัวลงนอนเท่านั้นเองอริยธรรมถึงขั้นอาหัตผลก็บังเกิดขึ้นในในจิตของพระนรพระนรได้เข้าถึงธรรมในอริยบททั้ง4ทําไมท่านจึงว่าอริยบททั้งสี่ ว, ททสว่ายืนก็ไม่ใช่จะว่านั่งก็ไม่ใช่จะว่านอนก็ไม่ใช่ วันรุ่งขึ้นพระนอนได้ไปร่วมทำบัณฑ์สมศรยนาเนี่ยผลเหล่านี้จะเกิดขึ้นประสิษฐ์จากความจงใจสิ่งที่เราจงใจและกระทําได้ก็คือส่วนที่เป็นเหตุให้เราตั้ง อ, อุดตั้งใจบําเพ็ญเหตุให้ยิ่งยวดผลทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจะเกิดขึ้นจะตามมาเรามาเทียบรู้ว่าเราสีไม้ให้เกิดไฟเนี่ยเราไปติสีเชัดสองเช็ดเนี่ยมันจะเกิดไฟขึ้นมาได้ไหมมันต้องอะไรสีซ้ำซ้ๆซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำซำซำซำซำ พอมันได้รับแรงเสียดสีมันจะเกิดความร้อนเกิดความร้อนไปร้อนไปร้อนไปจนมีสั ญ, ญลักษณ์บอกบอกว่าโอ้ควันเกิดขึ้นแล้วโอ้ขมเหมาดำๆเกิดขึ้นแล้วโอ้่านแดงๆเกิดขึ้นแล้วเอาปากเป่าเอาปากเป่าเอาเอาฝอยเอาใส่เข้าไปปากเปาก่ปาคุกขึ้นมาได้เปลวไ ฟ, ไ ด, ไ, ฟได้ไฟใช้ครูบาอาจารย์ไม่เห็นองไหนท่านสดวกสบายท่านเหลือเดนตายมาทั้งนั้นล เพราะอะไรเพราะท่านสีไปถึงตรงนั้นเนี่ย ส, สีไปสีไปท่านหยุดถ้าเราจะเทียบกับมันก็นสีไฟเพราะพอไปถึงตรงนั้นไฟกำลังจะออกควันแล้วะจะออกฐานแด ง, แ, ดงแล้วโอ้ยพักซะ ก, ก่อนเหนื่อยซะ ก, ก่อนในระหว่างที่เราพักเป็นไงความร้อนก็ดิ้นเนก็ไปแล้วพอมานึกได้อีกก็ทูอีกนึกได้อีกก็ทูอีกหลายครั้งหลายหนท่านก็เข็ดหลาบด้วยสนิท พอมาถึงตรงนี้แล้วมันเป็นสน่ห์ยักบอกแล้วเมื่อท่านคว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดปว้าหลุดเอาตายก็ตา ย, ไ ม, ไ, ตายไม่ตายไม่ได้ให้ตายไม่ตายให้ได้ไม่ได้ตายท่านคิดว่าเหลือเดนตายเดนตายทั้งนั้นะธรรมะของท่านที่ท่านจะเข้าถึงได้เหลือเดนตายตรงนี้แล้วตรงที่คว้าหลุดคว้าหลุดคว้าหลุดค้าหลุดเหมือนเขาสีไฟกำลังจะเปลวติดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่หยุดเอาอยาให้ได้ไฟให้ได้ไฟใช้จนได้มันเคยหลุดไปแล้วมันเข็ดมันหลาบ นี่ครูบาอาจารย์ท่านพูดให้เราฟังเป็นข้อความาวา่าเด่นตายเหลือเด่นตายลูกตาเลยท่านว่าโอ้มันหนักหนักกว่าธรรว่าหนักววนกว่าธรรมหากินในทางโลกทางโลกเราไปทำแบบไปแบบไปหาไปทำทางนี้ไปทำงานมาทั้งวันพอถึงคราม า, ารับทานอาหารหลับนอนทิ้งตัวลงนอนไม่ต้องนึกไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรอันนี้ต้องประคองไว้ทุกระยะทุกเวลาเพราะอารมณ์ภายในใจของเรานะั้นอ่ะมันมีสิ่งไม่ดีคอยมาตามแทรก แม้ธรรมะเจริญในหัวใจของเราก็ตามกิเลสมันก็เป็นเพื่อนสองมันคอยตามมาเล่นงานอย่างนั้นลุงตาท่านจึงเขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขันแล้วเคยใครเคยอ่านบ้างธรรมะคู่แข่งขันของลุงตาธรรมะคู่แข่งขันคือเราพยายามเอาใจของเราในกเจริญธรรมจากนันขณะดเดียวกันกิเลสมันก็แอบมาตามหลังเรานี่แหละแอบมาพอทำหย่อนปั๊กกิเลสแสงหน้าปุ๊บพอทำหย่อนปั๊กกิเลสแสงหน้าปุ๊บนี่เขาเรียกว่ า, รวาธรรมะคู่แข่งขัน เมื่อใจของเรามีมธรรมะขึ้นสติของเราก็ดีขึ้นสามัชัญนยะของเราก็ดีขึ้นปัญญาของเราก็ดีขึ้นกิเลสที่มันจะเกิดมันก็จะเกิดในใจดวงนั้นเท่ากันเหมือนกันใจเอาฉลาดกิเลสไม่ฉลิย ด, ด้วยกุบายวิธีเขามันก็นแหลมคมด้วยเพราะยังมันตามมาข้างหลังมนเองอ่ามันตามหมาตามมาตามเป็นคู่แข่งขันมาตลอดไปถึงไหนมันถึงจะหมดคู่แข่งขันนู้นไปถึง อาหารธรรมะไปถึงอาหารธรรมเนี่ยคู่แข่งขันของเราจึงตามไปไม่ทันแล้วท่านนี้ขยับไปอีกเก้าหนึ่งก็อาหารตะผลหลุดแล้วหมดแล้วหมดคู่แข่งขันแล้วจิตดวงนั้นสว่างโรยไม่มีคู่แข่งขันแล้วเป็นหนึ่งเดียวเป็นสังไม่เป็นสังขารแหละตราบใดที่กิเลสยังไม่หมดเป็นสังขารตัวกิเลตัวนี้แหละไปประกอบกับผู้รู้ของเราเป็นสังขารพอกิเลนอันนี้หมดไปจากหัวใจแล้ว เป็นวิสังขารท่านว่าไม่ไม่มีสังขารจิตเป็นหนึ่งเดียวจิตไม่เป็นสองกับสิ่งใดแล้วก็เป็นสิ่งที่ดํารงตนอยู่อย่างนั้นตลอดอนันตกาล ท, ท, ทั้งๆที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ร่างกายก็คือร่างกายเวทนาสัญญาสังขารก็คือเวทนาสัญญาสังขารพระอรหันต์คือผู้รู้นั้นพ้นไปแล้วจากสิ่งเหล่านี้จะยังอาศัยอยู่อาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ก็เหมือนกับเหมือนกับเราขับรถรนั่นแหละ ร่างกายของเราเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับรถเหมือนกับกิริยาอาการของรถเวทนาสัญญาสังขารวิญญานั้นเป็นนามธรรมนามธรรมเหล่านี้เป็นอาการของจิตนะเป็นอาการของจิตจิตเมื่อชะล้างไปหมดแล้วกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นกองสังขารที่ตามเนื่องมากับจิตใจของเราสิ่งเหล่านี้ก็ถูก จำแรกออกไปจนหมดแล้วจิตดวงนั้นถูกปลอออกไปจนหมดแล้วเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวพระพุทธเจ้าท่าส่งบัตรมาเนี่ยส่งบัตรมาชี้ให้พวกเราทราบว่าจิตของเราไม่บริสุทธิ์นะมีกิเลสตัญหาสัตตมามาด้วยท่านจึงทรงประธานข้อปฏิบัติให้เราตั้งใจให้ทานรักษาศิ่งเจริญทำจิตและรับความสงบและพิจารณาให้เกิดปัญญา กิริยาทั้งหมดเหล่านี้เป็นกิริยาที่เหมือนกับว่าเราเปาะออกปอกออกปอกออกชักออกชักออกชัออกล้างออกล้างออกล้างสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์นั่นแหละล้างออกจากหัวใจกิเลสตัณหาอาสวะเหล่านี้มีใครสร้างให้เรามีใครทําให้เราไม่มีใครสร้างให้เราไม่มีใครทําให้เราเราได้อัตภาพมาคือผู้รู้ได้มาพอเราได้ผู้รู้มามีสิ่งล่านี้ติดมาด้วยเหมือนกับคุณสมบัติของแร่ธาตุทั้งหลายที่มันอุบัติมาแบบ ยังไม่สุทธิยังไม่บริสุทธิ์ถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับเพชรเหมือนกับทองทองเราต้องไปร่อนเอาเอาสิ่งที่ไม่ใช่ทองออกเพราะร่อนก็จะท่าทองแล้วเอาทองไปหลอมไปรวมกันเพชรก็เช่นเดียวกันเพาว่าเพชรมันเกิดจากหินเพื่อระยะเวลาที่เนิ่นนานเท่าไหร่มาลุ่นะมากลายเป็นเพชรในหินตราบใดที่นายช่างยังไม่มีความสามารถที่จะไปเกี่ยรอะไรให้เป็น เหลี่ยมเป็นสันเพื่อที่จะมาส่องใส่ไฟแล้วเป็นแสงสว่างแพรวพลาวเนี่ยเพชรเหล่านั้นก็ยังไม่มีคุณค่าอะไรเวลาในาช่างที่มีความฉลาดเอามาเกียรนัยให้เป็นสันเป็นเหลี่ยมเอาไปใส่นในหัวแหวนด้วยแล้วมีคุณค่าแพร่ พ, พลาวจิตของเราที่ยังไม่ได้เกียรนัยเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติมีผู้รู้มาด้วยแต่ผู้รู้ของเราไม่บริสุทธิ์ดั่งเดิมแท้ๆไม่บริสุทธิ์พระเจ้าท่านทรงบัติมาเพื่อจะนําข้อปฏิบัติ ให้พวเรามหวช้ามาล้างจิตโดยนะ่าให้บริสุทธิ์ตามหลักอริยมรรคมีองค์แปดที่พวกเราได้ยินได้ฟังได้ตั้งใจได้ประพฤติปฏิบัติมานั่นเองอันนี้เป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อชําระขัดเราให้หัวใจของเราเพื่อให้บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วคือธาตุรู้ของเราบริสุทธิ์ทั้งทั้งที่เรามีอัตภาพร่างกายอยู่เป็นสักอุปาทิเสสนิพาน จิตของท่านทํากิเลสให้ดับหมดไปแล้วจากหัวใจเหลือแต่ธาตุรู้ที่บริสุทธิ์้ารู้ที่บริสุทธิ์คือถึงขั้นที่ว่าท่านหมดจดสะอาดโดยสิ้นเชิงอยู่อย่างนั้นแล้วไม่มีอะไรกลับกําเริบขึ้นมาอีกและก็ไม่ต้องมีใครบอกไม่ต้องมีใครบอกหอลุงตาท่านว่ามันมีขณะจิตบอกพระพุทธเจ้าท่านทรงตร่ามันมียานบอกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงบรรลุอาสวยาวกขยานแหละในวันที่พระองค์ได้ทรงบรรลุธรรมปฐมยาม มัดชิมมยามแล้วก็ปัดชิมมยามพระองค์ได้บรรลุอาสะวัคยายานมันมียานอย่างหนึ่งบอกว่าพระองค์เนี่ยกิเลตันหาอาสะวะในพระไตรขององค์เหือดแห้งหายไปเกิดขึ้นจากบำเพ็ญตะปะทำมาทั้งตลอดทั้งคืนเนี่ยแล้วก็เกิดขึ้นจากการอบรมสังสมบำเพ็ญมาเรื่อยๆต่อเนื่องๆจนเป็นเหตุให้เกิดยานเกิดยานทัศน์ที่เรียกว่าอาสะวัคยายานรู้ว่ากิเลตันหาอาสะวะดับหมด จดโดยชิ่นเชิญเป็นเหตุพอพระไถ่พอแล้พอล้พอ ล, พอล้เราไม่ต้องแสว้งหายอีกแล้วเราประสบพบสิ่งที่เราต้องการแล้วเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปแสรงหายอีกแล้วนี่ในคืนวันเปลี่นเดือนหเห็นไหมความรู้ของพระองค์ก็มาสอนคนแรกได้รับคือพระอัญญาโกนถังยะวันที่สองวัปปะวันที่3วันที่4ี่วันที่หมหานามอาอัศชิอา่าแล้วก็วันต่อไปท่านรงสแสดงอนัตตะลักษณะสูตรบรรจุขีทั้ง5ได้เปลี่ยนพระอาหารหันต์ทั้งหมด นี่ตามตำเนียมที่เราตามหลักที่เราได้ยินได้ฟังมาอยู่อย่างนี้การที่เราตั้งใจประพฤติตั้งใจฝึกฝนอบรมตามหลักของศีลของสมาธิของปัญญาจึงเป็นวิธีการที่จะทําให้เรานะขัดเกลารู้พวกเราให้บริสุทธิ์เมื่อผู้รู้ของเราบริสุทธิ์แล้วทันเรวสังขารหมดสังขารทุกสิ่งทุกอย่างที่ขึ้นเชื่อว่าสังขารไม่เคยคงที่กิริยาการของมันก็คือเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตา เราดูตัวอย่างแล้วก็ประกอบกับข้อปฏิบัติไม่ยากหรอกเราย้อนดูว่าพวกเราในย้อนหลังไปย้อนหลังไปในท้องแม่พวกเราทุกคนเกิดในท้องแม่สังขารพ่อสังขารแม่ประกอบกันในท้องแม่เราดูไปมีอะไรสักตัวสักหยดไหมเรามีเลือดสักหยดไหมไปเกิดในท้องแม่อาศัยธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันในท้องแม่ตามหลักตามกิริยาการของท่านที่ท่านดำรงพันธุ์อยู่นั่นแหละ พวกเราเขมีถึงกรรมไปกับจิตอ่าจิตเอากร ร, รมก ร, รรมสมควรที่จะได้เป็นอะไรบางคนไม่คู่ควรที่จะได้มาเป็นมนุษย์ <muita. S 2> เขาก็ไปเกิดในท้องสัตว์อ่าเป็นหมูเป็นหมาเป็นช้างเป็นม้าเป็นอะไรไปแต่ด้วยเหตุที่พวกเรามีคุณสมบัติพอจิตของเราที่มากับกรรมมี Means, คุณสมบัติพอที่จะมาเกิดในท้องมนุษย์เราก็มาอาบัตในท้องมนุษย์อ่าเราก็มาอาบัตรในท้องมนุษย์แต่ในนั้นเราไม่ได้เอาอะไรไปเกิดสักอย่าง เลือดสักหยดหนึ่งเราก็ไม่ได้เอาไปเกิดอ า, อาศัยธาตุของพ่อกับธาตุาของแม่ไปประกอบกันเมื่อประกอบกันแล้วอยู่ในพ่อแม่อยู่ในพ่อก็เป็นกองสังขารของหนึ่งอยู่ในแม่ก็มีกองสังขารของหนึ่งเวลาประรวมกันแล้วก็กลายเป็นกองสังขารอีกกองหนึ่งที่จะพัฒนาไปเป็นรูปร่างกลางตัวเป็นออกเป็นคนขึ้นมาอยู่ในนั้นเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนสิบเดือนก็ออกมาจากที่ไปผสมกันมาระยะเวลาล่วง ม, มาเนี่ยอยู่เท่าเดิมไหมไม่เท่าเดิมเลย เวันล่วงไปสองอาทิตย์ล่วงไปสาอาทิตย์ล่วงไปเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยจากน้าําใสๆเป็นเลือดข้นๆเป็นก้อนเลือดเป็นก้อนเนื้อเป็นปัญจาสาขามีกระดูกครบอวัยวะ32ออกมา8 9, เดือน9เดือนมาจนถึงเราเดี่ยวนี้เราลองพยายามลองแลลึกย้อนไปไปในท้องแม่ดูว่ากองสังขารก่องนี้เคยหยุดนิ่งอยู่กระที่ไหมเขาจะต้องเปลี่ยนไปเขาไม่คงที่พุทธเาท่านทรงธรรมะทุกข์ขันเขาเปลี่ยนไปเป็นอันิีจัง กำหนดจำง่ายๆอย่างนี้จะทําให้เราได้ข้อปฏิบัติเอาไปพี่นี้พิจารณาเราพิจารณาย้อนไปย้งแต่ตอนนี้ย้อนไปย้อนไปยอไป้ยอนไปในท้องแม้ถึงนู่นน้าใสๆหมดหมดตัวหมดตนโอ้ดีไม่ดีดีไม่ดีไปตกใจโอ้หมดตัวหมดตนเลยเวลาออกมาถึงตอนนี้ทําไมทิศมณนะมากเหลือเกินเยอะเหลือเกินนะอันนี้เป็นวิธีการที่ทําให้เราพิจารณาพิจารณาเพื่อให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจ รู้สาเหตุรู้ที่ไปรู้ที่มาของของคำว่าอัตตาตัวตนที่เรายึดเหลือเกินถือเหลือเกินอ่ความถือเนื้อถือตัวทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนมันโผล่เข้ามาพลันโผลเข้ามาเพราะอะไรอ่าเขามีเขาเป็นมาอยูน่นี้เขาพัฒนามาจากธาตุของพ่อของแม่แท้ที่ยิงพวกเราอาศัยธาตุพ่อธาตุแม่เป็นโครงสร้างพอเราออกมาจากพ่อจากแม่ทีแรกตั้งแต่ป้อนด้วยข้าวด้วยข้าวด้วยน้ํานมด้วยอะไรจะไรพอโตขึ้นมาช่วยตัวเองได้แล้วก็ใส่เข้าไป อะไรคือเราข้าวปลาอาหารนี่เลยคือเราเราดูไปสิเป็นข้าวเป็นปลาเป็นอาหารแท้ที่จริงพุทธิยถาทรงตรัสว่าไอ้ที่แข็งแข็งก็คือดินไอ้ที่เหลวๆก็คือน้ำํำดินน้ำลมไฟมันก็ไปกับอาหารที่เราทานนี่แหละใส่เข้าไปด้วยใส่เข้าไปด้วยพัฒนาไปเรื่อยอไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กันที่สังขาระนะับเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ย น, ย น, ย น, ยนมาถึงพวกเราแล้วพวกเราเคยอยู่กับที่ไหมตั้งแต่เราออกมาจากท้องแม่ย้ายมาเรื่อยย้ายมาโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อยโตมาเรื่อย พอถึงคราวที่เขาจะต้องแก่ลงแก่ลงแก่ลงก็เหมือนสะพานโค้งน่ยระหว่างนั้นนะพอไปถึงตรงที่สูงที่สุดลงจะเริ่มโค้งลงโค้งลงโค้งลงก็เหมือนพวกเราเนี่ยมีกําลังวังชาดีไม่ลีฤก็เริ่มหมดลงหมดลงตาก็ค่อยไปกําลังวังชาก็ค่อยไปหูก็ค่อยไปผมบนหัวก็ไปอะไรก็ไปฟันก็ไปอะไรก็ไปในที่สุดหมดอายุไขแต่บางคนตายตั้งแต่ยังเด็กอยู่ก็มีบางคนตาย ท่ามกลางก็มีด้วยเหตุด้วยอะไรต่ออะไรสารพัรอบใคยแค่เจ็บเบียดเบียนตามบุญตามกรรมบางคนก็อยู่จนครบอายุไขแต่อายุไขของเขาแค่เจ็ดสิบปีแปดสิบปีอยู่จนถึงชราถึงตายบางคนก็มีอายุมากเป็นผู้มีบุญสมัยพุทธกาลอายุร้อยี่สิบปีก็มีเยอะแต่สมัยทุกวันนี้เราเห็นคนที่อายุมากที่สุดนุ่นเจคุณวัดโพเนี่ยร้อยเข้าร้อยสี่ปีอ่ะนะ เข้าร้อยี่ปีจุคุณวัฒโพลจุคุณอดอมยานโมลีมีอายุเกินร้อยเนี่ยท่านยังมีชีวิตอยู่นะอายุท่านก่อนหลงตาอีกหลงตาท่านล่วงไปแล้วสองปีสามปีแล้วเข้าสี่ปีแล้วท่านจุคุณท่านเข้าร้อยสี่ปีแล้วมั้งตอนนี้เข้าร้อยสี่ปีนี่คนที่มีอายุยืนที่สุดแล้วจะถึงร้อยี่สิปีเนี่ยที่เรียกว่าอายุกับอายุกับของคนอายุร้อยยีสปีโอ้ยยี่สิปีอีอก สิ บ, บสิบเจ็ดปีโอ้มันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันแหละบางคนแค่อายุเจ็ดสิบล่วงไปแล้วนี่ชักหลงหน้าหลงหลังแล้วบางคนเข้าแปดสิบปีหลงไปแล้วเดี๋ยวนี้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งอายุเข้าแปดสิบปีที่วัดท่าเต่านะสองทุ่มท่านก็นลงมาบินธ บ, บาฉันแล้วตอนนี้นะถ้าไพยบาทลงมาแล้วเราดูไปเถิดนี่คงที่ไหมอันนั้นก็ล่วงไปอันนี้ก็ล่วงไปอันนั้นก็บรรรยากาศไปอันนี้ก็หายไ ป, อ, นนยไปอันนั้นก็หายไปเราไปกำหนดกเกณฎอะไรได้ ทำไมมันต้องแก่ทําไมต้องเจ็บแล้วก็ทำไมต้องตายแต่ตัณหาที่อยู่ในหัวใจถ้าเราไม่ย้อนเข้าไปดูเหมือนมันไม่เคยให้เรารู้เลยว่าเราต้องแก่เราต้องเจ็บเราต้องตายมันขัดแย้งกับหัวใจของเราทุกระยะทุกเวลานี่คือเจ้าตัณหาในหัว ใ, วใจของเราขัดแย้งของเราอยู่ทุกระยะทุกเวลาไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอเวลาความแก่ความเจ็บความตายเข้ามาทุบเลยทันีีทุบ เวลามันยังมาไม่ถึงตนความแก่มาถึงพ่อก็ทุกข์แหละความแก่ความเจ็บความตายมาถึงพ่อความแก่ความเจ็บความตายมาถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงญาติถึงหมู่ถึงเพื่อนถึงครูบาอาจารย์ก็ทุกข์อะทรตันี้ด้วยเหตุที่เราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเข้าใจแล้วเราจะเห็นหลักธรรมชาตินี่แหละหลักธรรมชาติหลักธรรมชาติเหล่านี้ดํารงตนได้อยู่ด้วยอํานาจของอะไรของเหตุกับผลทั้งนั้นเหตุกับผลทั้งนั้น เรามาดูกระแสของตัณหาใหม่ตัณหาเก่าลที่เกิดขึ้นในหัวใจของเรากระแสตัณหาใหม่มาจากอะไรตัณหาเก่าลมันส่งเรามาแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดสลายตนะหนอายตระทั้งหเกิดผัทสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาเนี่ยเห็นไหมเป็นรากเป็นเง่าวเป็นต้นเป็นตอเป็นลูกเป็นเหล่าเป็นเผ่าเป็นพันออกมาตัณหาเก่าลมาส่งมาแล้ว ตันหาเก่ามันก็มาเพิ่มขึ้นอีกเพื่อรักษาพงเผาเหล่ากอของมันวิธีการปฏิบัติรักษาเราย้อนไปเราจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผลเห็นเหตุเห็นผ ล, นผ ล, นผลมาจากอวิชชามาจากสังขารมาจากฟินยาณมาเกิดเป็นนามารูปมาเกิดเป็นผสัสสัคความหลงมันกระทับถมขึ้นมาเข้าเข้ามาเรื่อยเข้ามาเรื่อยขาาเขารมาเกิดเวทนามาเกิดเวทนาดีก็พอใจไม่ดีก็ไม่พอใจเพราะฉะนั้น แต่คําว่าอารมณ์ที่มาประสบในหัวใจเราดีใจก็เป็นเรายึดเข้ามาก็เป็นเรื่องของกิเลสเสียใจเรายึดเข้ามาก็เป็นเรื่องของกิเลสเห็นจักจะว่าเห็นนั่นนหละคือเห็นโดยโดยความเห็นของผู้ตั้งใจประพฤติธรรมของผู้ตั้งใจปฏิบัติทํำให้ความยินดีเกิดขึ้นไม่ให้ความยินร้ายเกิดขึน้นนั้นคือความเห็นโดยหลักธรรมชาติที่แท้จริงถ้ายังยินดีถ้ายังยินร้ายนั่นแหละ <S <S คืออํานาจของตัณหามันแทรกเข้ามาแล้วเวทนา <S <S เป็นปัจจัยเกิดตัณหา พอตันหามันเกิดขึ้นมาปั๊บมันมีที่เก็บของมันเป็นอุปาทานเป็นภพเป็นชาติเป็นร้องให้เป็นคร่ำครวญโศกกระพริเทวะทุกขทมนะสาุปายาที่พวกเราประสบพบเห็นกันนี้เองเราพิจารณาย้อนไปย้อนไปย้อนไปดูเหตุย้อนจากผลไปดูเหตุย้อนจากผลไปดูเหตุ้เหตุ้เหตุที่เราอนัลละเป็นผลย้อนไปดูเหตุของมันอีกเหตุตัวนั้นเป็นผลย้อนไปดูเหตุของมันย้อนหรือย้อนย้อนไป วิธีปฏิบัติสาวไปหน้าสาวไปหลังมาอย่างนี้เป็นวิธีการที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราพิจารณาเพื่อทําลายสิงส่งที่เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่มัวหมองกับหัวใจของเราที่ท่านเรียกว่าอิเลสกิเลสอวิชชาตันหา ห, ใใหัวใจของเราเป็นการจำล่อเป็นการจําและเป็นการปาะ อ, ออกปาะออกปาะออกเปาะออกเพราะฉะนั้นสมถะเออวิปัสสนาเอวยจึงเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่พวกเราควรจะตั้งใจฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติ ให้จิตของเราขยับไปตามนั้นขยับไปตามนั้นขยับไปตามนั้นเพื่อความทุกข์ทั้งหลายที่จะมาทับถมหัวใจของเราเป็นการผ่อนคลายเบาบางเห็นโทษเห็นไัถึงที่สุดทีบตัวไปจนสุดนะพวกเราทั้งหลายที่มาตั้ง อ, อกตั้งใจบวชเป็นชีเป็นพราหมนี่ค่ทราบว่าตั้งใจฟังเทศมาตั้ง8ดกัน9กันเนี้ยกันนี้เป็นกันถือว่าเป็นกันที่9เราไปดูในใบนมิมนนะ เป็นการที่9แล้วก็จัดมาตั้งแต่วันที่เท่าไรวันที่สิบสี่ิบห้าสิวันนี้สิเจวันพรุ่งนี้ยังเหลืออีกเทศกาลหนึ่งอ่าพรุ่งนี้ยังนียังมีการเทศอีกนะตั้งใจฟังกันเทศวันพรุ่งนี้อีกรูบายานเทศให้ฟังให้พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจมาประกอบกองการกุศลทางนี้เพื่อเป็นการพยุมพบชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้น จากความเป็นคนหมกอยู่ในโลกเราดูไปพระพุทธภาษิต ท, ที่พระพุทธเจ้าท่านทรงยกมานี้เหมือนกับไม่เรียวเหมือนกับคอนใหญ่ๆนี่แหละมัทุกหัวเราเลยนี่พวกโง่พวกโง่พวกโง่หมอกอยู่ในโลกทับถมอยู่ในโลกมองหอมองเห็นโลกนี้เหมือนกับราชีรถอันตรการตาดูไปงอนก็งามดูไปตัวรถก็งามดูไปวงล้อวงลุง่มก็งามงามแพราวไปหมดนั่นคือความ อลังการของโลกถ้าเราคล่องใจอยู่ในโลกก็เหมือนกับที่บระพุทธเจาททร ง, งพรรณนาพวกเราคล้องอยู่ในในตัวรถในตัวราชรถค ล, คล่องอยู่ในโลกเลี่ยนโลกเหมือนราชรถประการันตาแล้วก็พวกเราเพเนินหลงอยู่ในโลกอยู่อย่างนี้อย่าง i, ไม่จบไม่สิน้นเราฟังแล้วมันน่าจิตใจให้กับกิเลสตัณ ห, หาอสาสวะในหวัวใจของเราย้อนเข้าไปดูย้อนเข้าไปดู ย, ปด ย, ปดย้อนไปด้วยข้อประพฤติด้วยข้อปฏิบัติ แล้วพวกเราทั้งหลายตั้งอกตั้งใจมาจัดมาขวนขวายมาสร้างมาทํางานนี้นับตั้งแต่หลวงพ่อท่านเจ้าคุณนะท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมเราท่านเป็นหัวหน้าเรียลแรงพาพวกเรามาจัดมาสร้างมาทํามาบําเพ็ญมาทำโอกาสให้เกิดกับชีวิตจิตใจของเราให้เป็นแก่นสารให้เป็นสาร้ายกับชีวิตจากนั้นมาก็มีคนรองๆช่วยกันมาทั้งไม่ออกเมาะออกทั้งคนวัด ทั้งลูกศิษย์ลูกหาอยู่ใกล้อยู่ไกลจะรอมเข้ามาช่วยบำเพ็ญ ง, งานนี้จัดงานนี้ให้ให้สำเร็จให้มันลุไปตามเป้าประสงค์เพื่อบูชาคุณของหลวงปู่หลวงปู่จันแรมของเราโดยเฉพาะปีนี้นับตั้งแต่ท่านเกิดมาก็เบปีชาติการเราเราก็จำได้สมัยเมื่อสองปีสองปีก่อนเราจัดงานครบรอบหลองตาครบหนึ่งปีเราก็จัดงานหลวงปู่เขียนครบหนึ่งปีเหมือนกัน นับตั e honey, amazing, like ้งแต่ท่านเกิดมาก็ถือว่าเป็นอนุสอนเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องบ่งบอกว่าอ้าวครูบาอาจารย์ท่านสร้างคุณงามความดีท่านได้ถึงคุณงามความดีขนาดขนาดคันนี้คันนี้คันนี้เราเอามาเอาอนุสอนเหล่านี้มาตั้งใจประพฤติตั้งใจปฏิบัติเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจบำเพ็ญมาทั้งหมดนี้ย่อมมีผลมีอนิสง์ขอผลอนิสงส่วนนี้จงตามอัมรุยบวชชัยให้พอได้กับท่านทั้งหลาย ได้ตั้งใจประพฤติได้ตั้งใจปฏิบัติผู้ที่ตั้งใจให้ทานก็ให้ตั้งใจตั้งใจให้ทานอย่างยิ่งยว่ผู้ตั้งใจรักษาศีลก็ให้ตั้งใจรักษาให้ได้อธิศิลตั้งใจเจริญสมาธิให้ได้รับความสงบว่าขอให้ได้รับอธิกิตคือความสงบแนบแน่นตั้งแต่ชาติที่หนึ่งที่สองที่3มที่4ี่แหละแล้วก็ตั้งใจพิจารณาให้เห็นหลักอันนี้อย่างทุกครังอนะจ๊าก็ให้ได้ให้ประสบพบเห็น ให้ถึงพร้อมเพื่อพยุพพชาติของเราไปให้สูงไปเข็ดลาบในการที่จะมาหมกอยู่ในโลกขอผลส่วนนี้จงตามอำนวยให้ฉัน่วยใช้ท่านทั้งหลายได้ประสบโดยทั่วนากันทุกคนทุกท่านทุกของเธอ อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปูเรตุสังกปาจันโทปนระโสยถามณโจเิระโสยถาสพิติยวิวัชันตุสพโรโคเบนัสตุมาเตปวัตวันทรายโยสุขีทีกายุโกภวะพิวาธนะเสลิสนิจาวุ ธ, ธาปะจายโน่ จ uh ัตตารโธธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังพลังภวะตุสับพมังคลังรักขันตุสุปเทวตาสัพพุทธานภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตภวะตุสับพมังคลังรักขันตุสุปเทวตาสัพธมานภาเวนะสทาโสธีภวันตุเตภวะตุสับพมังคลังรักขันตุสุปเทวตาสัพสังขานภาเวนะ ศรัทธาโสถีอาวันตุเตมโอ้ถ้ายัดดันถ้ายัดดันไปมากกว่านี้อย่างน้อยก็ต้องไปตกอีกครึ่งหรือไม่ก็ตกอีกชั่วโมงหนึ่งอันนี้พอมันรู้สึกอย่างนี้มันก็จะอยู่ระหว่างนี้แหละเพราะมันรู้สึกแค่นี้มันรู้แหละมันตกอยู่แค่นี้แหละถ้าบือนไปอีกพักหนึ่งกับครึ่งชั่วโมงบือนไปอีกพักหนึ่งกับสองชั่วโมง เอาและแค่นี้ก็พอแล้วอ่าอ่าเอาละ ว, วันนี้อ่าไปตั้งใจภาวนาตลอดคืนก็ได้นะเหลือวันพรุ่งนี้อีกวันเดียวหมดแล้วหลุดมายหลดมือไปแล้วแต่กลับอย่างนี้ไปก็ยังให้หลุดมายหลุมดมายได้วิธีเอาไปตั้งใจทําเข็ดหลาบที่หมอกอยู่ในโลกเห็นทุกข์เห็ น, ท, หนทรมานโอ้ทุกข์ลุกเกินทุกข์ลุกเกินอะ บาทีผัวเมียทะเลาะกันอู้ทุกมากยากลําบากมากเอาเราไปดูชีวิตของสัตว์มันเป็นมันอยู่โอ้ยเราก็โผล่มาจากมันมนุษยเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ล่ะเนี่ยแล้วมาเป็นมนุษย์ถ้ามนุษย์เกิดยากแสนยากแต่มนุษย์เกิดขึ้นมาเห็นกันแล้วทะเลาะกันอี่เราเห็นไหมเราไม่เคยย้อนไปดูมันเลยทมันจับหัวใส่กันในทะเลาะกันน่าเครียดให้กับมันเลยตันหาในหัวใจ อ้าวเดี๋ยวมันจะไปอีกครึ่งชั่วโมงมันไม่ได้พัก น, นะแล้ลงแล้วลงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อด่า